พอตายไปแล้วอยากจะให้ลูกหลานทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาก่อนอ่ะเมื่อทำให้เขาก็ทะเลทลายอีกเหมือนกันขนาดที่เอาเงินไว้ให้เขาเถอะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เออเงินก้อนนี้หมืน่นนี้แสนนี้เมื่อข้าตายไปแล้วทำบุญอุทิศทาบุญให้ข้านะถึงจะสั่งขนาดนั้นก็เถอะเมื่อเราตายไปแล้วพราะเราไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าทําบุญเอง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 เมื่อข้าตายไปแล้วไม่ต้องนะอข้าทำเขาเองเอาพอแล้วอนอะอย่างหลวงตาที่ท่านไนะด้พูดขณะที่เราใช้ให้เขาไปซื้อของยังตกตกลนหล น, หลนไม่ได้อย่างใจเงินยังเฮี้ยเลี่ยราดอีกต่างหากอตังยักยอกอีกต่างหากเมื่อเราตายไปแล้วนะ่อยากจะให้คนอื่นทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงจะยากเหมือนกันนะเพราะนั้น การทำบุญทำทานการสั่งสมคุณงามความดีมิใช่ว่าเราจะมีแต่ทานอย่างเดียวไม่ใช่รักรักษาศีลก็ใช่ภาวนาก็ใช่ประกอบคุณงามความดีดอย่างอื่นมีมากมายถ้าเราได้สงฆ์ถ้เราได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาคุณงามความดีในหลักของพุทธศาสนานนคืออะไรบ้างมีมากมายที่ประธรมคําสอนที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้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 ต่อผู้มีอุปกระคุนของวัดเราคนระับอันนี้ก็คือการแจ้งข่าวให้พี่น้องศรทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบร่วมทวนหน้ากันนะต่อไปไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร